พระตรัยปิฎกฉบับประชาชนอระตรัยปิฎกเล่มที่หหมวดที่สามสมุดจยัคขันธกะหมวดว่าด้วยการรวบรวมเรื่องการออกจากอาบัตสังฆาทิเศสนในหมวดนี้แสดงวิธีออกจากอาบัตสังฆาทิเศตโดยเล่าเรื่องพระอุทายีปรึกษาสงฆ์ว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วจะควรปฏิบัติอย่างไร คล้ายเป็นการตั้งตุกตาให้เห็นวิธีปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบมีการแสดงรายละเอียดซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแนะดังต่อไปนี้หนึ่งต้องอาบัตสังฆาทิเศษข้อเดียวไม่ได้ปกปิดให้ขอมานัดให้สวดประกาศให้มานัดเมื่อประพฤติมานัดเสร็จแล้วให้ขออับพานคือขอให้สงสวดถอนจากอาบัต ให้สวดประกาศถอนจากอาบัตให้ 2. ต้องอาบัตสังฆาทิเศตข้อเดียวปิดไว้วันเดียวให้ขอปริวาสหนึ่งวันเสร็จแล้วจึงขอมานัดและดําเนินการต่อไปตามลําดับเหมือนข้อหนึ่งสต้องอาบัตสังฆาทิเศตข้อเดียวแต่ปิดไว้สองวันบ้างสามวันบ้างสี่วันบ้าง5วันบ้าง ให้ขอปริวาสสองวันสามวันสี่วันห้าวันตามควรแก่เหตุแล้วขอมานัดและดำเนินการต่อไปตามลำดับเหมือนข้อหนึ่ง 4. ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วปกปิดไว้ห้าวันขอปริวาสห้าวันระหว่างอยู่ปริวาสต้องอาบัตข้อนั้นอีกให้ชักเข้าหาอาบัตเดิมโดยขอต่อสง ให้ชักเข้าหาอาบัตเดิมแล้วขอปริวาทใหม่อยู่ปริวาทอีกห้าวันแล้วจึงทําต่อไปตามลำดับเหมือนข้อหนึ่งต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วปกปิดไว้หนึ่งปักหรือสิบห้าวันให้ขอปริวาสหนึ่งปักระหว่างที่อยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตเดิมอีกปิดไว้ห้าวันให้ขอต่อสงเพื่อชักเข้าหาอาบัตเดิม เริ่มต้นขอปริวาสใหม่โดยรวมกับอาบัตที่ปิดไว้เดิมคือเมื่อรวมกันก็นับข้างมากเพียงฝ่ายเดียวคือสิบห้าวันไม่ต้องเติมอีกห้าวันต่อมาเมื่อเธออยู่ปริวาสเสร็จแล้วขอประพฤตมานัดระหว่างที่ประพฤตมานัดต้องอาบัตข้อเดิมซ้ำอีกให้สงชักเข้าหาอาบัตเดิมคือต้องเริ่มต้นอยู่ปริวาสใหม่อีกสิบห้าวัน แล้วจึงขอมานัตประพฤติมานัตใหม่จนสวดถอนในที่สุดนอกจากนี้ได้แสดงตัวอย่างอื่นอีกหลายข้อที่เกิดปัญหาสลับซับซ้อนในระหว่างประพฤติมานัตบ้างในกรณีอื่นๆบ้างถ้าพิกษุรูปใดประพฤติยุ่งยากแบบนี้คือขณะออกจากอาบัติก็ออกไม่ได้สักที กลับทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทางปฏิบัติก็อาจขับไล่คือลงปรบภาชณิยกรรมได้เพราะศีลวิบัติแต่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะให้แก้ปัญหาเฉพาะในทางวิธีการออกจากอาบัติคล้ายกับเป็นการเฉลยข้อกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ยกเอาข้ออื่นมาตัดบทอย่างไรก็ตาม เรื่องราวในสมุทจะยะคันธากานี้เท่ากับเป็นประมวลแบบปฏิบัติในเรื่องออกจากอาบัตสังฆาทิเศษที่มีปัญหาสลับซับซ้อนแสดงคำบาลีสำหรับสวดประกาศไว้อย่างพิสดาร